ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมาตอน แสดง 4 เฉพาะเวลานะอย่าไปพอคถานเริ่มพอสมาธิก็ยิน ถ้าผีธรรมดานี่เขาไม่ทําอย่าง <c oughs> นอนชักผ้าห่มครึ่งคลุมตัวก็อากาศเย็น หน้าตาประมาณสดงามอิ่มเอมที่ปากแดงเนื้อเหลืองแล้วก็จีวรก็เหลืองเนื้อนั้นเหลืองอ่างจีวรนิดหน่อยท่านนั่งให้เห็นทั้งหลับตาและลืม <c oughs> พอจิตจับภาพพระพุทธเจ้าภาวนาวะวุตโตให้ใจเข้านึกว่าพุทธะ 2-3 ครั้งก็หลับหลับสนิทถึงเวลา 2 ครนาทีก่อน <c oughs> ก็เกรงว่านาฬิกาจะเกยก็ถึงก่อนตามนั้นน่ะถีมะตื่นขึ้นมาแล้ว คล้ายๆยิงยงโดดทำท่าเหมือนคนโดนน่ะโดดขึ้นโดดลงอ่ะโดดขึ้นแล้วก็ เริ่มเข้าฟังเป็นเข้าถึงปีที่ 2 เออเวลาเรื่องนึงปีกว่า แล้วก็ล้างหน้าไปมันก็โดดมันไปเวลาล้างหน้าก็ว่าอิติปิโสภควารังสัมมาลปโทเนี่ยคือคําว่าอิติปิโส <c oughs> เมื่อผมบิณฑบาตสังฆฏิเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปนวตการพระจุดธูปจุดเทียนบูชาพระขณะที่บูชาพระอยู่นั่นเจ้าพลันโดดไม่พอมันแล้วมันคุย <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่สมศักดิ์ศรีที่จะไปต่อก่อนกับพวกนั้นตอนเวลานั้นจริงๆก็ไม่ได้โกรธก็บรรยาบูชาพระ พอ 2 ตรงก็เข้านั่งกรรมฐานนั่งสมาธิตอนนี้เป็นจังหวะเครื่องพวก ภขณะใดที่เราเจริญกรรมฐานอยู่ภาวนาอยู่จะภาวนาว่ายังไงก็ตามเถิดแรกก่อนภาวนา เรียกว่าแปลการนึกถึงคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอน <c oughs> แล้วว่า 9 กับความจริงก็เป็นอย่างนั้นพวกนั้นก็กระด่างอยู่ตั้งตําแหน่งวาวออกไปแต่มันเต็มกุฏิไปบนข้างนอกก็โดดข้างในก็โดดเสียงเออะอะวอยวายแล้วก็ลังหลับตาสบายยิ่งเสียงดังมาก คือความๆจะโดนจริงมันก็ชินมาตั้งแต่หัวค่ําแล้วไม่รําคาญนั้นความ <c oughs> และเราไอ้ฟังอย่างนี้อย่าไปนึกว่าเป็น พอลืมตามามันก็โดดออกนอนนอนดูหนังสือเจ้าคนนั้นกระโดดอยู่ข้างนอกก็ดูหนังสือไป <c oughs> วางหนังสือนอนซะก่อนเถอะถือดูหนังสือก็ไม่เกิดประโยชน์ความ คนที่เคยไปนอนที่นั่นก็ไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกันมีหวายชอบตีผี แล้วก็มือขวาก็หยิบหวยมันก็ต้องเอามือขวาก็มาไปกดแขนซ้ายเป็นอะไรว่ามันก็ไม่กล้า <c oughs> แต่ต่อมาก็นึกว่าถ้ารับปล่อยให้มันทับอย่าง ผีหลอกก็ไม่หลอกถึงเขาว่าผีหลอกขับผีมาอะไร 2 <c oughs> บทเนี่ยไม่บอกให้ฟังยังจําได้แต่ไม่บอกให้ฟังเพราะมันไม่เกิดประโยชน์เลยพออ่านนึกคาถาบทนั้นจบทั้งบอกสนุก แล้วก็คาถาบทนี้สนุกจริงโว้ยกูจะเต้นตาม <c oughs> คณะในใจว่าอีกบทนี่อีอาจารย์นี่เค้าให้อาจารย์นี้ก็เก่งเค้าว่าคาถาบทนั้นจบเป่าพรดมันก็เลาะกากตามเดิมเจ้าพวกของเราก็หาตึงตามเดิมเหมือนกันมันก็เลยบอกว่าบทนี้เนี่ยมึงได้ ตอนนี้ก็เกิดการจนใจบรรดาท่านพุทธบริษัททุก ว่าถ้าเราพลาดอะไรไอ้ผีตัวนี้ แต่ว่่านงพ่อalesก็ดี พ่อทุกก็ก็ susgключดี พ่อ blevขือพ่อ summary นิปานไม่ได้ส ôนไหม คำว่า เรื่องการทำบาปชาตินี้แล้วก็มีเล็กน้อยมีทำเหมือนกันเรื่องบาปทิ้งไปบุญของเรามีมากกว่าการให้ทานหมดตัวเราทำ <c oughs> เวลานี้เราก็เจริญกรรมฐานบุญสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือการเจริญพระกรรมฐานที่เรียกกัน <c oughs> นิพพานจะสุนหรือไม่สุนสภาพเป็นยัง 3 วัน 3 ของการบวชเวลาประมาณสัก 5:00 น. เวลา หน้าตักของพระองค์ประมาณ 8 ศอกผิวเนื้อเหลือง อุปาทานนี่ก็หมายความต้องเคยคิดว่าเป็นอย่างนั้นเคยคิดว่าเป็นอย่างนี้ก็คิดในใจว่าอันนี้ไม่ใช่อุปาทานภาพพระพุทธรูปเราเคยเห็นแต่ไม่ได้สวยอย่างนี้ไป เพราะว่านอกจากเกล็ดแล้วก็ยังมีอะไรอย่างคือคามิ่งคามินอ้อยสีวันของท่านอาจ สว่างจ้าตอนนี้เห็นเวลาตอนเย็นนั้นยังไม่ค่อยสว่างไปเวลากลางวันแต่เวลาที่ผี <c oughs> มันไม่ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีไม่พอนึกก็นึกภาวนาว่าพุทโธ แล้วก็สบายใจยิ้มเรื่อยๆยิ้มเหึกเขาลุกขึ้นจากที่นอนกราบพระพุทธเจ้าเท่าที่จะมองเห็นหลังจากนั้นก็คิดในใจว่าโอ้โห <c oughs> ไอ้ผีอีกตัวมันโดดเข้ามาคว้าคอข้างหลังเวลานั้นจริง <c oughs> จะนานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงตอนเวลานี้ใครสอนคาถากันผีไล่ผีนั้นไม่เรียนหรอกถ้าว่าเป็นพระธรรมะสอนหรือเทวดามาสอนแล้วก็ แต่ว่าท่านบ่อ่านก็ดีท่านบ่ฟังก็ดีไอ้เจ้าผี พาศครองแล้วก็เดินไปหาร้องพ่อปานตามนำปรดาะหาร้องพ่อปานいて 떠� frustrated, いやแต่เวลานั้นเป็นเวลา 6. wounds เซ็ดอัฐมะก็ไปหน้าประตูเพราะถึงก็ไปเขาประตูกุ๊กๆใช้นิวแน่น้อยๆเขา เวลานั้นท่านก็งัวพ่อป่านท่านก็ส่งเสียงถามมาว่าไอ้ลิงดำใช่ไหมว่าใช่ก็รับบกเอิ้นพบดีแล้วใช่ไหมล่ะเอ้าเจิมเปิดประตูให้มันเข้ามาก็คลานเข้าไป หากรู้ว่าแกดื้อก็จะต้องไปแต่ว่าขยับต้องปล่อยให้ใจรู้สึกตัวพวกขึ้นได้เพียงแค่ห้ามเฉยๆแต่ก็คงไม่ฟังเพราะจะ คาถาที่อาจารย์เค้าสอนให้ดิแต่ว่า 2 บทแต่เค้า ผมดีใจที่ว่าพวกมันเข้ามาแกล้งผมทําเสียง ก็เลยกราบเรียนท่านว่าตั้งแต่ 1 ท่านบอกถูกต้องพอพูดถึงพระเจ้าท่านก็ยกมืออีกอ่ะ มันปวดมากวันนี้ก็ผมต้อง 2 ผมขอเพราะว่าถ้าไปทําวัดไม่ไหวท่านบอก ท่านให้ก้มหัวลงไปให้เวลานั้นเมื่อก้มหัวไปมือ 2 มือพนมแล้วก็ก้มหัวลงมามันก้มไปเฉยๆคือพนมพนมยันพื้นอนาถหน้าผากแตะไว้แล้วบอกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นะเลยกราบเป็น แต่บอกก็ เวลานี้มันหายปวดหมดแล้วมันปกติแล้วผมจะไปบินทบัดได้มั้ยท่านบอกว่าแจกขออนุญาตฉันไปแล้วทําไมว่าจะไม่ไปบินทบัดบอกใช่ครับ <c oughs> เรเรเราไม่ใช่จะว่ากล้าไอ้เรื่องกลัวผีเนี่ยเวลานี้ก็ยังกลัวอยู่แต่ก่อน ถ้าถามว่ากลัวอะไรก็กลัวทุกอย่างทุกอย่างที่น่ากลัวและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือนรกนรกที่กลัวมากแล้ว 5 ก็กลัวมากคือกลัวเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะการเกิดเป็นมนุษย์มันแสนญาตนทํามันแสน พรุ่งนี้วันที่ 3 เมษายนจะต้องจะต้องล้างทองแล้วเพราะวันที่ 6 จะเข้าวงคีตแล้วไอ้ขาข้างซ้ายก็ปวดแล้วมันก็หนักมันก็ชายังก็แนวที่หมอพิเศษเอายามาบอกว่ามันจะหนัก กังคืนนี้ถ้ามัยใช้ยาชีทช่วยนับ 3 ตี 4 มันยังไม่หลับมันทุกการต่อรมานมากเกิงวันถ้ามัยง่วงเวลาที่แข็กมาก็หนักใจ ง่วงก็ง่วงก็ต้องทนคุยก็อย่าจยงทีมาว่าท่านมากก퍼ไลย เห็นใจว่าทุกคนที่พรีมีความเอกตาพลานีก็เป็นว่าเรื่องผีหรือผีหัวขาดของวัดบรรโขก็มาจุด แต่นี้เทพก็เขียนไม่แล้วว่าเครื่องผีพวกขาดวัดขอเตือนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายว่าเวลาที่ท่าน ก็คิดว่าที่เรานั่งอยู่นับจากตัวเราออกไปปวด <54. S 2> ทุกข์ก็สะดามมากจนได้ความกลัวการกลัวตายคือ